เมื่อกล่าวมาถึงความเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติซึ่งชักจะออกนอกลู่นอกทางที่ท่านพาดำเนินมาทำให้ระลึกได้ในโอวาทอันเกี่ยวกับความเผ็ดร้อนที่ออกมาจากความสะเทือนใจท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวที่พักอยู่วัดหนองผือสกลนครคือเย็นวันหนึ่งหลังจากปัดกวาดลานวัดและส่งน้ำเสร็จแล้วมีพระทยอยกันขึ้นไปกุฏิท่านหลายองค์ท่านเองก็ได้ปรารบธรรมในแง่ต่างๆให้ฟัง วันนั้นท่านปรารบถึงท่านอาจารย์เสาที่เป็นอาจารย์ให้พวกเราฟังอย่างถึงใจว่าท่านอาจารย์เสาเป็นอาจารย์ที่มีเมตตามหานิยมเป็นหลักใจแก่โลกมากผิดอาจารย์ทั้งหลายอยู่มากเป็นผู้เด่นในวงคณะประเข้าไปใกล้ชิดเป็นต้องสนิทรักใคร่เลื่อมใสในองค์ท่านทัน ท, นทีแต่การให้โอวาสั่งสอนประชาชนพระเนนนั้นท่านไม่ค่อยสั่งสอนพิสดารกว้างขวางเหมือนผู้อื่น พูดเพียงประโยคสองประโยคเท่านั้นก็หยุดแลนั่งตัวตรงและเฉยอยู่ราวกับพระพุทธรูปไม่มีการไหวติ่งอ ว, วัยวะส่วนใดเลยแต่คนติดใจในโอวาทและองค์ท่านชนิดฟังและเห็นแล้วไม่จืดจางหลับมาแล้วยังคิดอยากเห็นอยากฟังท่านไม่มีวันอิ่มพอใครก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารักเลื่อมใสท่านมากแต่น่าเสียดาย บรรดาพระเนียนที่เป็นลูกศิษย์ท่านบักไม่เข้มแข็งและมีหลักเกณฑ์ท้งภายในภายนอกสมกับได้อาจารย์ดีวิเศษเป็นผู้อบรมทั้งนี้คงเป็นเพราะความลืมตัวนอนใจและหยิงในตัวมากกว่าทั้งที่ไม่มีอะไรที่ควรหยิงและภูมิใจเมื่อเห็นท่านใจดีมีเมตตาไม่ค่อยดุด่าจ้ำจี้จ้ำชัยเหมือนอาจารย์ทั้งหลายแม้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนต่อหน้าซึ่งควรจะดุด่าว่ากล่าวบ้าง พอผู้ผิดได้มีสติระวังตัวต่อไปไม่ลืมตนก้นด้านจนชินชาและเป็นคนใจด้านสันดานจมพอท่านอาจารย์มั่นหยุดการให้อว่าชั่วคราวเห็นได้โอกาสพระองค์หนึ่งก็เรียนถามขึ้นอย่างดือด้อๆชนิดไม่มีความแยบคายอะไรเลยคล้ายนิสัยของผู้เขียนที่มีติดสันดานมาจนบัดนี้ถามว่าท่านอาจารย์เสา ท่านสิ้นกิเลสอสวะแล้วดังคำเล่าลือจริงไหมครับผมองค์ท่านเองซึ่งสนใจพยายามอบรมสั่งสอนพระเนรให้ฉลาดแหลมคมอยู่แล้วพอได้ยินคำถามชนิดไม่น่าจะมีใครกล้าหาญแบบนั้นถามขึ้นท่านเองก็ยิ้มนิดและหยุดไปชั่วคราวแล้วมองไปยังพระองค์ซื่อที่น่าสงสารซึ่งมีเจตนาบริสุทธนั้นด้วยอาการยิ้มแฝงไปด้วยความเห็นใจและสงสารเธอ ทีซื่อและโง่เขลาเกินกว่าจะตำหนิติโทษใดๆและพูดเป็นเชิงอนุโลมในลักษณะโง่ๆไปด้วยเพื่อต้อนรับความโง่ความซื่อของเธอองค์นั้นเช่นเดียวกับม้าอาชาในปฏิบัติตัวต่อยายแก่ผู้เลี้ยงดูตนฉะนั้นว่าท่านสิ้นสุดวิมุติพานไปนานแล้วตั้งแต่ท่านเองยังไม่เกิดนนท่านยังจะหลงบ้าสงสัยมาถามอะไรอยู่อีกการศึกษาไตาถามอะไร ก็ไม่มีอุบายแยบขายบ้างเลยสักนิดพอเป็นเครื่องหมายของคนมีสติปัญญาเพื่อแก้กิเลสความโง่เขลาของตนบ้างฉะนั้นจิตใจจึงสนุกนอนจมอยู่กับความโง่ตลอดเวลาการภาวนาก็มีแต่ความโง่เขลาโงกง่วงนั่งทับอยู่บนศรีรษะไม่มีเวลาสางจะโงกหน้าจะโงกหลังราบกับลิงจะโงกดูคนคนโง่งหรือฉลาดเพียงแสดงอาการออกมาก็พอทราบได้ เฉพาะท่านรู้สึกจะโง่เสียจนน้าทุเรศ ธ, ธรรมะจะไม่อาจแทรกลงสู่ดวงใจได้ในเวลาการฟังอบรมผู้ให้การอบรมเองก็คงจะระอาเช่นกันถ้าเป็นนิสัยปัญญาอยู่บ้างนอกจากจะเป็นอาจารย์ด้วยการเสกสรนตัวเอาเองเระบวชนานนั่นอาจไม่มีทางทราบได้กระทั่งตัวเองเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นท่านก็อบรมสั่งสอนต่อไปด้วยความเอ็นดูสงสารพระองค์นั้น ราวกับการเรียนถามแบบโง่ๆนั้นแปลงยู่ดด้วยอุบายความฉลาดอาราธนาท่านให้แสดงทำให้ฟังฉะนั้นใจความแห่งธรรมะที่แสดงในขณะนั้นแทนที่จะเป็นธรรมะเผ็ดร้อนดังที่เคยเป็นมาแต่กลับเป็นธรรมะที่เต็มไปด้วยเมตตาแสดงด้วยความอ่อนหวานอ่อนโยนซาบซึ้งจับใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนพ่อแม่อบรมเด็กเล็กด้วยความรักสงสาร จนทําให้เด็กเห็นโทษใจอ่อนน้ำตาไหลคลอไปได้เนื้อธรรมะที่แสดงนั้นผู้เขียนจำได้เพียงเล็กน้อยจึงขออภัยหากผิดพลาดเพราะเจ้าโมหะอันเดียวพาให้เป็นมีใจความว่าหมู่คณะก็นับวัวโง่เขลาขึ้นทุกวันแทนที่จะฉลาดตามอุบายที่อบรมสั่งสอนแต่ผมเองก็นับวันแก่ลงทุกวันการทาประโยชน์แก่หมู่คณะ ก็นับวันด้อยลงทุกวันความเมื่อยหิวอ่อนเพลียก็นับวันเพลียลงทุกวันสังขารร่างกายก็นับวันร่วงโรยลงทุกวันเพียงดูลมหายใจไปเป็นวันๆเท่านั้นอาหารต่างๆที่เคยมีคุณแก่ร่างกายมาดั้งเดิมธาตุมันกลับเห็นเป็นโทษไม่อยากรับอยากฉันและกลับเบื่อหน่ายคลายความยินดีต่อสิ่งเยาว์ยาทั้งหลายไปทุกวันเวลา วันเวลาของการตายก็คลือคลานเข้ามาทุกทีไม่มีการหยุดพักเพื่อให้การผ่อนคลายแก่ธาตุขันบ้างเลยลมหายใจที่เคยสูดเข้าสูดออกสบายโดยอัตโนมัติก็แสดงอาการฟืดเคืองขึ้นมาทุกเวลานาทีราวกับจะไปจากเราทุกขณะที่ได้โอกาสแต่เวลามองดูผลจากการอบรมที่กวรจะเกิดตามเจตนาที่อบรมสั่งสอนหมูคนะ่คณะจะกลับมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่เคยคาดหมาย บางก็เป็นความขี้เกียจมักง่ายอ่อนแอบางก็เป็นความซึมเศร้าเหงาหงอยไม่ร่าเริงในความเพียรบางก็เป็นความเคลื่อนคลาดจากหลักปฏิบัติที่พาดำเนินมาบางก็เห็นแต่ความโง่เขลาเ บ, า, บาความคิดอ่านไตรตรองดังที่ท่านถามเรื่องท่านอาจารย์เสาวเมื่อครู่นี้เองซึ่งมิใช่ทางเดินของผู้มาอบรมศึกษาหาความพ้นทุกข์ตามทางศาสดาที่พาดาเนินเราเป็นความโง่เขายางหน้าทุเรศเหลือจะทนฟังได้ จึงวิตกกังวลกับหมูขคณะอยู่ไม่ไวายเวลาผมตายไปจะไม่มีผู้เป็นหลักฐานทางจิตใจและปฏิปทาเครื่องดำเนินสืบต่อไปกลัวจะเป็นดังที่กล่าวมานั้นจึงขอวิงวอนหมู่คณะที่มาศึกษาอบรมด้วยสะดุดใจในความมาอยู่ร่วมกันซึ่งมิใช่เป็นของเที่ยงถาวรพอจะพากันนอนใจวันเวลาล่วงไปตัวเราแต่ละคนก็มีทางจะล่วงไปเช่นเดียวกัน ผู้ประมาทก็จะไม่มีของดีใดๆติดตัวไปเวลาที่ผ่านไปนั้นสิ่งที่ต้องติดตัวไปอย่างแยกไม่ออกก็คือความเหลวไหลที่เคยติดอยู่ในนิสัยสันดานเดิมผลแห่งความประมาทก็คือความจนตรอกพอกพูนทุกข์ไม่มีประมาณอยู่ที่ใดไปที่ใดก็มีแต่มานคอยรังวความกวนใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนต่างๆไม่มีสถานที่และเวลาปลงวางลงได้ ทุกการสถานที่ของคนประมาทมีแต่ทุกติดแนบกับตัวยิ่งกว่าเงาเรอโทษแห่งการตั้งตัวเป็นมารแก่ตัวเองโดยไม่ได้สำนึกว่าความประมาทเป็นตัวภัยตัวมารคอยล้างผลาญตัวเองส่วนผู้ไม่ประมาทยอมได้ของดีไปประดับและเชิดจูตนผลคือความสุขกายสบายใจไปตลอดการสถานที่ไม่มีภัยมีเวรไม่มีเคราะเขนเวรภัยคอยเบียดเบียนราวี ทุกสิ่งที่เป็นผลก็เป็นมิ่งมงคลแก่ตนโดยตลอดผมพยายามเต็มความสามารถทุกวิธีทางในการให้อุบายสั่งสอนท่านทั้งหลายเพื่อสร้างความเป็นมิตรแก่ตนด้วยความไม่ประมาทในหน้าที่ของนักบวชและนักปฏิบัติเราทราบอยู่เสมอว่าไม่นานร่างของผมก็จะจากท่านทั้งหลายไปตามทางสมมติที่โลกให้น้ำกันเวลามีชีวิตอยู่ การสั่งสอนก็ได้พยายามเลือกเป็นอัต ธ, ธรรมที่ควรแก่ฐานะและเพศแห่งนักบวชมาแสดงอย่างเต็มภูมิมิได้ปิดบังซ่อนเร้นส่วนใดไว้แม้แต่น้อยดังนั้นการเห็นหรือได้ยินสิ่งไม่ดีในวงคณะมีความประมาทนอนใจเป็นต้นจึงขัดกับความมุ่งหมายของตนที่มีแก่บรรดาศิษย์มาอย่างสนิทใจไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากให้ท่านผู้ใดสนใจใครประพฤต เราขึ้นชื่อว่าความประมาทแล้วไม่ว่าประมาทในสถานใดยอมทำคนให้เสียได้ทุกกรณีจึงเป็นสิ่งไม่ควรสนใจใกล้คิดกับความไม่ดีนั้นๆเลยขอนิมวลทุกท่านจงเห็นใจผู้ให้การอบรมสั่งสอนที่ได้ตั้งหน้าทาหน้าที่อย่างเต็มภูมิด้วยความเต็มใจและเมตตาจงพยายามฝึกทรมานตนด้วยหลักธรรมที่พราหม์สอนตลอดมาอย่าให้เป็นลักษณะของทัพพี หรือช้อนราคนอยู่กับแกงแต่ไม่รู้รสแกงว่าเป็นอย่างไรบ้างเลยแต่ให้เป็นแบบลิ้นกับรสอาหารชนิดต่างๆที่สัมผัสกันซึ่งทราบรสของอาหารนั้นๆทันทีผมประสงค์อยากเห็นอยากทราบใจท่านทั้งหลายกับธรรมะประเภทต่างๆที่แสดงให้ฟังเสมอมาว่าเข้าถึงกันมากน้อยไปโดยลำดับที่แสดงทั้งภาคปฏิบัติทั้งความรู้ชนิดต่างๆที่เกิดจากภาคปฏิบัติ ความรู้ที่เกิดขึ้นรับกันในขณะฟังอันเป็นการปฏิบัติภาคพิเศษว่ามีความกลมกลืนกันไปโดยสม่ำเสมอไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งลดด้อยถอยลงอันเป็นการขาดวักขาดตอนจากเหตุซึ่งจะยังผลประเภทนั้นๆให้เกิดขึ้นได้ยากเพราะเหตุคือการทาเกิดอุปสรรคผลจึงพลอยเป็นอุปสรรคไปด้วยเพื่อความราบรื่นสม่ำเสมอแห่งผลที่พึงหวัง จึงกรุณาบำเพ็ญเหตุด้วยความสนใจผลไม่เป็นสิ่งพึงบังคับเหมือนเหตุแต่จะเกิดขึ้นมาเองดังนี้พอท่านแสดงธรรมเพื่อสรงเคราะห์พระที่น่าสงสารจบลงตอนนี้ขออภัยเรียนตามเหตุผลหลักธรรมที่ท่านแสดงในขณะนั้นเพื่อเป็นข้อคิดสำหรับชาวพุทธเราหากไม่นำลง ก็น่าจะขาดความหนักเบาแห่งธรรมะที่ท่านแสดงในเวลานั้นไปซึ่งเป็นเนื้อธรรมะที่น่าเสียดายสำหรับท่านผู้หวังเทอทูลศาสนาธรรมและครูบาอาจารย์คือหลังจากท่านแสดงจบลงมีพระอีกองค์หนึ่งกล่าบเปียนเรื่องอัถิท่านอาจารย์สาวว่ามีพระบางพวกที่เป็นลูกศิษย์ท่านเองนาอัถิท่านมาบทให้ละเอียดผสมกับผงชนิดต่างๆที่ถือกันว่าคลังแล้วปั้นเป็นองค์พระเล็กๆ จำหน่ายกันเป็นจำนวนมากองค์ละราคาแพงๆด้วยมีผู้เชา่าไปบูชากันมากโดยไม่สนใจกับราคาค่างวดว่าแพงหรือไม่แพงเลยกระผมเห็นแล้วอดสลดสังเวชใจไม่ได้เพียงเท่านี้เองท่านก็อุทานขึ้นทันทีว่าโอ้โหพากันเป็นถึงขนาดนั้นเทียวหรือนี่พระจำพวกทำลายพระศาสนาทำลายครูอาจารย์พากิเป็นม า, ากัดแทกกันกระทั่งกระดูกท่าน กินยิ่งกว่าหมาเะอีกนี่คือพวกสิ้นคิดและหมดหนทางหากินจึงผ่ากันกัดแทะ ก, กันกระทั่งกระดูกอาจารย์ของตนหมามันยังรู้จักเจ้าของไม่ยอมกัดแทะแต่นี่มันยิ่งกว่าหมาจึงไม่รู้จักเจ้าของกัดแทะ ก, กินเรียบไปเลยพวกนี้พวกหมดยางอายถึงได้กัดแทะกระดูกครูอาจารย์ไปขายกินพร้อมทั้งชี้นิ้วสายไปมารอบๆ บ, บริเวณที่พระนั่งอยู่ด้วยเสียงเผ็ดร้อนว่า พวกที่มาอยู่กับผมเวลาเนี้ยพากันมาอยู่แบบพระหรือมาอยู่แบบหมากันแน่ปรีบตอบมาเดี๋ยวนี้ถ้ามาอยู่แบบพระก็สนใจในธรรมะและตั้งใจปฏิบัติถ้ามาอยู่แบบหมาดังที่เป็นมาแล้วก็ต้องรอคอยแย่งกระดูกกันไปกัดแทะด้วยการจำหน่ายขายกระดูกผมกินดังพวกสิ้นคิดนั้นนั่นคือพวกปฏิบัติแบบหมาไม่ใช่แบบพระคอยแทะทั้งเป็นแทะทั้งตายไม่มีวันอิ่มพอและอายบาบบ้างเลย พวกจิตใจต่ำสามคอยทำลายศาสนาทำลายครูอาจารย์ยังไม่อายมีใครบ้างที่เก่งๆอยู่ที่เนี่ยซึ่งคอยจะกัดแทะเนื้อหนังและกระดูกผมไปขายในเวลาเป็นและเวลาตายไปรีบบอกมาจะได้เสริมชื่อเสริมนามให้สูงส่งเสียแต่ที่ผมยังไม่ตายว่าทนะพอค้าขายกระดูกครูอาจารย์กินพระพวกเนี่ยนอกจากทำแบบหมาคอยแทะกระดูกแล้วยังมีกระโบายขายครูอาจารย์กินได้หลายทางอีกด้วย ไปที่ไหนชอบกวดตัวว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์นั้นอาจารย์นี้ซึ่งมีคนเคารพเลื่อมใสามากเพื่อเป็นทางประกาศตัวและประจบหากินพวกนี้คือพวกเชื้อเนื้อเฉือหนังแทะกระดูครูอาจารย์ขายกินชนิดไม่มีวันอิ่มพอกินจนตายขายจนหมดตัวทั้งขายกินยังไม่ไอายและขายกินไปตลอดชาติและประกาศโฆษณาขายยิ่งกว่าพ่อค้าเสียอีกไปที่ไหนประกาศขายที่นั่น ปากไม่อยู่เป็นสุขเพราะหนอนคือความทยานอยากเข้าบ่อนชัยจนประชาชนพระเนนที่รักศีลธรรมรักข้อปฏิบัติเบื่อเอื่มระอาไปตามๆกันไม่อยากเข้าหน้าคบค้าสมาคมแม้เป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันแล้วยังมีใครอีกบ้างที่อยู่กับผมเวลาเนี้ยซึ่งกำลังเรียนวิชาหมาแทกกระดูกระดูกะะดูกบะดูกระดูกกระดูกกระดูกระดููกระะูกระะดูกระ ท่านพูดย้ำแล้วย้ำเล่าจนผู้ฟังตัวชาไปตามๆกันแม้เช่นนั้นก็ยังไม่ยุติเอาง่ายๆ ย, ยังมีเน็บเหน็บแนมแนมเฉียดหน้าเฉียดหลังเฉียดใกล้เฉียดไกลอยู่นั่นเองจนผู้นั่งฟังตั้งตังตวไม่ติดระวนกระวายอยู่ภายในทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งจะปวดหนักปวดเบาทั้งอยากมุดลงพื้นดินทั้งจะเป็นลมสลบไปในขณะนั้น เพราะความกลัวและความอับอายชนิดไม่มีที่โปงวางราวกับตัวเองก็เป็นหมาตัวกัดแท้เก่งๆตัวหนึ่งแม้ไม่ได้เป็นดังท่านว่าจากนั้นท่านก็บรรยายเรื่องพระที่มีจิตใจต่ำสามหมดรัสมีแห่งธรรมะภายในใจหมดความหวังในธรรมะหมดความภาคเพียนทางใจหมดความสนใจฝากไปในธรรม เปลี่ยนความรู้ความเห็นจากภายในออกสู่ภายนอกและจิตใจกลักกลายคลายจากธรรมะไปสู่โลกโดยสิ้นเชิงแล้วอาศัยโลกามิพธ์เป็นอารมณ์และเรือนอยู่ของใจเป็นเครื่องประดับเกียรติพูดประจบประแจงหวานล้อมด้วยอุบายต่างๆให้ประชาชนที่มีนิสัยเชื่อพระมาแต่บรรพบุรุษหลงเชื่อตามและกวาต้อนมาเป็นบริษัทบริวารเพื่อประดับเกียรติว่าตัวมีโวหารปฏิพานดี ฉลาดแหลมคมมีอำนาจวาสนามากมีผู้คนเคารพนับถือมากมีลูกศิษย์บริษัทบริวารมากนับวันลืมตัวและพองตัวมั่วสมจนหมดความสานึกด้วยสิ้นเชิงวันคืนการเวลาผ่านไปด้วยขย่าก่อกวนต่างๆไม่มีประมาณโดยการชักชวนผู้นั้นให้ผลิตสิ่งนั้นชักชวนผู้นี้ให้สร้างสิ่งนี้ว่าดีมีอ น, นิสง์มาก ทั้งที่ตนกำลังเตรียมโดดโลงนรกหลุมก่อกวนวุ่นวายอยู่ทุกขณะอยู่แล้วไม่อาจจำรงตัวให้อยู่ด้วยความสงบสุขได้แม้ชั่วขณะหนึ่งเพราะหัวใจแตกดีแตกและเพราะหัวใจที่เต็มไปด้วยความพอกพูนส่งเสริมกิเลสประเภทโลกามิตรตลอดเวลานาทีพาให้รบเร้าก่อกวนพาให้ออกเที่ยวชักชวนก่อกวนประชาชนพุทธบริษัทด้วยวิธีการต่างๆมีเรื่อยบ้าง พาผลิตพาสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดคลังๆ ร, ราคาแพงๆบ้างร้อยแปดจนเราตามไม่ทันอุบายของพระจำพวกนี้นับว่าพิสดารเกินคาดแต่ทางแห่งความสงบสุขทางใจทั้งตนและผู้อื่นนั้นไม่ยอมสนใจแม้มาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็มาอยู่พอเป็นปากเป็นทางพอเป็นพิธีว่าตนมาศึกษากับครูอาจารย์องค์สาคัญเวลาออกไป จะได้ประกาศตนอย่างเต็มยศของนักปฏิบัติประเภทจอมโฆษณาอวดตัวว่าเก่งพอตัวแล้วจนออกรัศมีสีแสงแผวเปล่ารอไปอยู่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดผู้โปรดท่านอาจารย์องค์สำคัญเพิ่งออกมาจากสำนักท่านอย่างสดสดร้อนร้อนยังไม่ได้ทดลองฝีมือความเก่งกล้าสามารถของตนบ้างเลยเพิ่งฟิตตัวมาใหม่กาลังคันฟันครอย่างให้ทดสอบฝีมือปรีบเข้ามารับการอบรม ให้สมศักดิ์ศรีของวิชาที่เพิ่งได้รับประสิทธิ์ประสัดมาใหม่ๆจะได้มักได้ผลรวดเร็วสมความปรารถนาที่กระหายมานานไม่แกล้งอวดตัวว่าเก่งแต่วิชาเป็นอย่างนั้นจริงๆดังนี้คนเราที่เป็นลูกชาวพุทธเลือดเนื้อชาวพุทธอยู่แล้วไม่เชื่อพระก็จะไปเชื่อใครที่พอจะลงใจได้ก็จำต้องเชื่อพระ แต่เปเจอเอาพระประเภทกัดแทกระดูกเนื้อหนังครูอาจารย์และประชาชนเข้าก็พลอยล่มจมไปด้วยที่น่าสงสารนี่แหละอมมิตกเลิศเกินว่าเรึงมันจะเป็นไปทำนองนี้แน่นอนเพราะความตำซา ม, ามแห่งจิตใจของพระปฏิบัติประเภทกาฝากที่คอยทำลายวงคณะและจิตใจพุทธบริษัทให้จมหายล่มจมไปด้วยไม่มีประมาณ เพียท่านอาจารย์เสาวท่านมรณาภาพไปไม่กี่ปีเลยคณะลูกศิษย์ของท่านเองก็เป็นตัวบุ่งตัวนอน์พากันทําลายเสเองด้วยวิธีการต่างๆผมจึงเชื่อไม่ได้ว่าคณะลูกศิษย์ประเภทกาฝากที่มาอาศัยผมมาเป็นยุคยุคค ร, ราวจะทําอย่างนั้นหรือยิ่งกว่านั้นไม่ได้ส่วนพระประเภทศิษย์มีครูก็จะอยู่ลําบากและพลอยเสียไปด้วยตามโลกะวัชชะคือโลกติดเตียนนินทาเพราะความเกี่ยวเนื่องกัน การกระทำด้วยความตามซามทางจิตใจเช่นนี้จะไม่มีวันรู้สึกสำนึกตัวได้เลยตลอดวันตายจึงน่าวิตกกับท่านผู้ปฏิบัติดีซึ่งมีอยู่จำนวนมากจะพลอยได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วยพระจำพวกประพืชตัวเป็นมูดเป็นคูดเที่ยวฉาบทาให้เปรอะเปื้อนและส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปตามๆกันผมเคยพูดเสมอด้วยความวิตกเป็นห่วงวงคณะที่ทาให้วิตกมาก ก็จำพวกคอยทำลายตัวเองและหมู่คณะให้เสื่อมเสียไปด้วยนั่นแหละเพราะพวกนี้ไม่ใช่ผู้จะคอยรับฟังเหตุผลดีชั่วของครูอาจารย์หรือของใครด้วยความสนใจฝ่ธรรมนักเลยแม้ขณะอยู่กับครูอาจารย์ก็ยังมีการแสดงลวดลายแห่งนิสัยของผู้จะก้าวไปเพื่อความตำซามให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วหลาออกไปจากครูอาจารย์แล้วจะแสดงลวดลายให้เต็มฝีไม้ลายมือเพียงไรนั้น ผมไม่สงสัยอยากเข้าใจว่าผมจะไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องห ย, ยาบๆที่ไม่จำต้องทำความพยายามสังเกตถึงจะทราบได้แม้ไม่พยายามก็พอทราบได้และทราบอยู่ทุกอาการเคลื่อนไหวทั้งภายในภายนอกนั่นแหลเป็นแต่ไม่พูดเท่านั้นขณะที่อยู่กับครูอาจารย์หรือเวลาครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ก็พยายามซ่อนเล็บเก็บเขี้ยวไว้บ้างพอเป็นกิริยาให้โลกงามตา ไม่ผาดโผนโยนตัวจนเกินไปแต่เวลาครูอาจารย์ตายจากไปแล้วนั่นแหละเป็นโอกาสที่พระจำพวกกาฝากนี้จะแสดงลวดลายของตัวในแง่ต่างๆอย่างเต็มฝีมือเราไม่มีที่เกรงขามพอให้เกิดความกระดากอายบ้างคนเราเมื่อหมดความสนใจในธรรมะเสอย่างเดียวยอมทำความชั่วได้ทุกอย่างโดยไม่มีความกระดากอายอะไรทั้งสิน้น จำพวกนี้แลที่จะทำความเสียแก่วงคณะและพระศาสนาได้มากโดยอาศัยผ้ากาสาวพั์เครื่องบริการของพระธุดงค์กรรมฐานเป็นเครื่องมือหากินและทำลายไปในตัวผมกลัวนักกลัวหนาเพราะเป็นประเภทที่ชินชาและต้านทานยาคือธรรมะเก่งไม่มีจำพวกไหนเก่งเท่าบรรดานักบวชที่หมดอิริอตตปัดธรรมภายในใจผมไม่ชมพระที่ทาตัวไม่น่าชมเชย ไม่ตำหนิพระที่ไม่ควรตำหนิและผมชมเชยพระที่ปฏิบัติดีเป็นที่น่ายกย่องชมเชยตำหนิพระที่น่าตำหนิเพราะพระที่มาปฏิญาณตนว่าเป็นลูกศิษย์ของผมทั้งเก่าและใหม่มีทั้งประเภทชั่วที่น่าตำหนิและประเภทดีที่น่าชมเชยจับปนกันมาตามยุคตามสมัยเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ผู้ชั่วก็มีผู้ดีก็มาก ท่านที่ยังมีความหวังในธรรมะเป็นสมบัติอันพึงได้รับอยู่ก็ขอนิมนคิดให้ถึงใจบรรดาธรรมะที่แสดงเหล่านี้ผู้ที่จะสร้างความหมดหวังแก่ตนต่อไปไม่ยอมเห็นโทษก็ไม่ควรอยู่ให้หนักพระศาสนาและครูอาจารย์ตลอดวงคณะจงไปสร้างซิคนเดียวให้เป็นที่น่าพอใจตายแล้วจะไม่ได้สร้างและเสวยผลแห่งกรรมที่ตนรักชอบยิ่งหนักนั้นแต่ผู้เดียว ไม่มีใครไปแย่งชิงกวนใจคงจะสนุกอยู่คนเดียวเพราะวิบากประเภทนี้โลกผู้ดีขยักขยั้งแล้วหวาดกลัวกันมากไม่มีใครหันไปแย่งชิงแน่นอนการอบรมสั่งสอนแต่ต้นถึงปัจจุบันจนผมแกขนาดนี้ซึ่งไม่นานก็จะตายนับว่าสอนอย่างหมดไส้หมดพุงทั้งภายนอกภายในไม่มีอะไรเหลือลออยู่ พอเป็นเชื้อผสมยาได้อีกแล้วใครยังเห็นว่าไม่สมใจก็ควรผลิตขึ้นเองแต่ระวังอย่าให้กลายเป็นยาพิษเผาผลาญตนและวงคณะดังที่เห็นเห็นและได้ยินอยู่เวลานี้ก็เล่ากันผมอนุโมทนาด้วยพอท่านแสดงธรรมะประเภทอสศนีบาตคือฟ้าผ่าจบลงราที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันหลายองค์เวลานั้น ไม่มีองค์ใดกล้ากระดุกกระดิกกายบ้างเลยของนั่งตัวแข็งเงียบไปตามๆกันพอเห็นอาการของพระกลัวมากและน่าสงสารท่านจึงเริ่มธรรมะประเภทปลอบโยนขึ้นใหม่อย่างแผ่วเบาราวกับไม่ใช่องค์เดียวกันเป็นผู้แสดงว่าที่พูดเช่นนั้นก็เพื่อบรรดาปราบป ร, ร, รามโรคชนิดร้ายแรงเอาไว้มีฉนั้นก็จะลุกลามเข้ามาในวงคณะให้กลายเป็นโรคระบาดสรา์กระจายไปทั่วทุกคนทุกแห่ง คนดีก็จะอยู่ไม่ได้กลายเป็นไฟเผาโลกไปตามๆกันท่านที่มุ่งมาด้วยความสนใจใคร่ธรรมก็น่าเห็นใจแต่การแสดงธรรมต่อโลกสมมตินั้นไม่ได้มีห้องเก็บเสียงและแบ่งสัตว์แบ่งส่วนเฉพาะบุคคลนั้นๆจะควรรับฟังหรือไม่ควรเมื่อแสดงออกแล้วจำต้องได้ยินทั่วกันโดยไม่นิยมว่าใครผิดใครถูกใครดีใครชั่วประการใด จะข้อพิสูจน์ตัวเองในขณะฟังก็มีอยู่ว่าตนมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือยังคงที่ดีงามอยู่ประการใดบ้างย่อมเป็นเครื่องวัดความผิดถูกไปในตัวธรรมะที่ได้ยินได้ฟังก็เป็นแสงสว่างช่วยให้มองเห็นทางผิดทางถูกในการปฏิบัติทั้งปัจจุบันลละนาคตได้เป็นอย่างดีสมกับความตั้งใจมาอบรมศึกษาหาความรู้ความฉลาดใสตนเพราะผู้สนใจในธรรมอย่างแท้จริง ยังมีอยู่มากแต่ยังไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติก็ยังมีถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นแนวไว้บ้างเห็นใครทำผิดพลาดประการใดก็ทำตามโดยขาดความคิดอ่านไตรตรองก็อาจมีซึ่งเป็นทางเสียหายได้โดยไม่ตั้งใจว่าจะทำผิดยิง่งไปเจอเอาจำพวกปลาฉลามใหญ่ดังที่กล่ามาด้วยแล้วก็จะถูกกลืนเอาอย่างง่า ย, ายและน่าเสียดายเนื่องจากมีการศึกษาน้อยรู้เท่าไม่ถึงการ หลังจากนั้นท่านก็พูดคุยธรรมดาราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระทั้งหลายจึงพอมีลมหายใจคืนมาบ้างไม่เหมือนถูกค้งดัชนีในตุ่มที่ปิดฝาไว้อย่างมิดไม่มีลมพอหายใจและถูกเผาด้วยตปะธรรมเมื่อครู่ก่อนนั้นพอได้เวลาต่างกราบท่านลงมาและต่างองค์ต่างแสดงความยิ้มแย้มต่อกันตามภาษาของนักโทษที่ถูกปล่อยตัว แลแอบสนทนาการที่สภาหนูคือที่ลับหลังตามเคยบางองค์ท่านจะโมโหอยู่บ้างปล่อยโพ่งออกมาทันทีว่าท่านอุตริไปพูดขึ้นทําไมคำอื่นเรื่องอื่นที่ควรพูดกว่านั้นไม่มีบ้างหรือเห็นไมล่ล่ะเป็นอย่างไรบ้างมีผู้สลบบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยโดนจังๆเข้าแบบนั้นทําไมไม่ถามล่ามผู้เคยแปลเข้าบ้างละ่ะหมายถึงท่านที่เคยรู้นิสัยท่าน อวดดีเมื่อเจอของดีเข้าแล้วเข็ดบ้างไหมถ้ายัางไม่พอวันหลังหาเรื่องไปเรียนท่านใหม่เลือะกอที่จังๆกว่าวันนี้นะผมนะ่ะไม่ขึ้นแน่วันหลังหลอยคนดีคนเก่งรับตะบองใหญ่คนเดียวท่านตอบว่าก็ผมไม่นึกว่าท่านจะใช้ไม้ตายแบบนี้นี่นาจึงได้เรียนแบบซื่อๆซออย่างเนี้ยองค์ที่ถูกรุมให้เหตุผลใครว่าท่านดุดา่าผู้นั้นก็ไม่เห็นความผิดของต้นละสินาะ ผมยังอยากที่ท่านลงหนักยิ่งกว่า น, นี้อีกวันนี้จิตผมมอบราบเลยราวกับคนตายแล้วสมน้ำหน้าจิตตัวขนองวิ่งรอบโลกเละเกินวันนี้ผมภานาคนเดียวจิตมันดื้อกระโดดโลดเต้นไม่ยอมสงบเอาเลยเหมือนจับลิงทั้งฝูงเข้าโครงนั่นแหละแต่วันนี้พอดวนธรรมะท่านหนักๆเข้าจิตไม่มีทางออกเพราะถูกท่านตีต้อนด้วยธรรมะเลยหมอบสงบลงได้อย่างง่ายดายแม่ดีจริงวันนี้ ผมขออนุโมทนาด้วยท่านที่หารอาราธนาท่านแบบเนี้ยวันหลังจะมีใครเดี่ยวเรื่องแปลกๆ แ, และเผ็ดๆร้อนๆไปเล่าถวายท่านอีกเผื่อลิงในที่นี้หมายถึงจิตเผื่อลิงผมจะได้อยู่สงบสุขบ้างขณะท่านสับเขศอย่างแรงวันเนี้ยดีเหลือเกินนับแต่ฟังเทศท่านมาก็มีวันเนี้ยเป็นวันสำคัญสำหรับผมอีกองหนึ่งพูดขึ้นด้วยความพอใจ บรรดาพระทั้งที่นั่งฟังอยู่บนกุฏิท่านทั้งที่แตกตื่นกันมาแอบฟังอยู่ตามข้า ง, างและใต้ถุนกุฏิท่านเป็นจํานวนมากความรู้สึกไม่เหมือนกันเลยหลายองค์กลัวท่านจนแทบลืมหายใจหลายองค์ที่ชอบฟังเทศชนิดเผ็ดร้อนเมื่อฟังแล้วจิตได้รับความสงบอย่างแน่วแน่ในขณะนั้นหลายองค์แต่โดยมากเพิ่งมาอยู่กับท่านใหม่ๆทั้งกลัวทั้งอายอยากมุดดินลงในขณะนั้นจิตร้อนเป็นไฟไม่มีความสุขเลย ทั้งที่ไม่มีความผิดที่เคยทำมาพอประสานกับธรรมะท่านบ้างเลยเฉพาะผู้เขียนความรู้สึกเป็นไปได้ร้อยแปดยิ่งกว่าบ้ามารวมกันอยู่ในหัวใจสิ่งที่ถึงใจและฝังใจมากจนไม่มีวันลืมก็คือตอนท่านว่าพากันมาเรียนและปฏิบัติแบบหมาหรือแบบไหนกันแน่นั่นแหละความจริงก็เพราะตนไม่อยากเป็นหมานั่นเองทั้งที่ตัวเองขโมยเป็นหมาไปแล้วด้วยความมีรอบคอบ แต่ยังไม่ทราบว่าตนได้กลายเป็นหมาไปแล้วอย่างสมบูรณ์แต่ขณะแรกที่ท่านเทศเรื่องหมากัดแท้กระดูกโดยนึกอวดตัวอยู่ภายในว่าตนมิได้มาปฏิบัติเพื่อเป็นหมาแต่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอย่างสมบูรณ์แบบต่างหากและไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อแย่งอัติท่านแต่อย่างใดปฏิบัติเพื่อธรรมะคือมรรคผลนิพพานต่างหากนับแต่วันที่ตนได้กลายเป็นหมาอย่างเงียบไม่มีใครทราบ แม้ตนเองก็ไม่ทราบว่าได้เป็นหมาลับๆอย่างสมบูรณ์นับแต่ขณะแรกฟังท่านแล้วเป็นความมั่นใจและปักใจตัวเองว่าเรามิใ่มาอยู่และปฏิบัติกับท่านแบบหมานี่นาต้องขออภัยท่านผู้อ่านมากมากที่เรียนตามความโง่จนเกินไปน่าจะไม่มีอะไรเลยเป็นความดีงามสำหรับผู้เขียนจึงได้นาความโง่ามาประกาศกรุณาฝืนใจอ่านด้วยความสงสารเพราะมีอย่างนี้จริง ดังนั้นเวลาท่านมรณภาพและถวายเพลิงเสร็จจวนถึงวันแจกอัฐิและบริขารท่านไว้เป็นที่ระลึกบูชาจึงรีบโดดเข้าป่าเข้าเขาไปเงียบด้วยความคิดเห็นที่เข้าใจว่าตนฉลาดถ้าขืนอยู่ที่นั่นต่อไปจนถึงวันแจกจะต้องได้รับแจกบริขารชิ้นต่างๆและอัฐิท่านแน่นอนแล้วก็จะไม่พ้นความเป็นหมาดังท่านว่าสุดท้ายหมาตัวฉลาดเกินโลก ก็เพ็นเข้าป่าเข้าเขาจริงๆไม่ยอมอยู่เพื่อรับแจกสิ่งใดของท่านทั้งสิน้นนี่แหละคือความโง่ของคนที่เข้าใจว่าตนฉลาดขนาดเป็นหมาไปแล้วเพราะความคิดโง่นั้นยังเข้าใจว่าตนเป็นพระอยู่อย่างเย็นใจและยังกลัวว่าตนจะเป็นหมาอยู่ร่ำไปน่าสลดสัเวยใจในความโง่แบบอัศจรรย์ตอนนี้ธรรมเทศนาของท่านการนี้แหละ ที่ทำให้ผู้เขียนเป็นหมาไปได้อย่างแนบเนียนโดยไม่สำนึกตัวแม้แต่นิดยังขืนอดดีกลัวว่าตนจะเป็นหมาอยู่ได้จนท่านมรณะ า, าพผ่านไปร่วมปีจึงมาระลึกโทษได้ว่าได้คิดผิดอย่างถนัดเกินกว่าจะได้รับอภัยโทษ โ, โปรดปรานจากท่านสาเหตุที่ระลึกโทษได้ไม่สายจนเกินไปนักถึงกับยมบาลขัดออกจากบัญชีประเภทนรกแตก ก็เพราะความห่วนระลึกถึงพระคุณท่านในแง่ต่างๆแล้วเล่าตลอดเวลาประจาอิริยาบถเรื่อยมาจึงมาสะดุดใจจนสะดุ้งว่าโอ้โหพุทธบริษัทที่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แม้พระพุทธรูปปฏิมากรรมพระบริขารและสถานที่เคยประทับพระธรรมที่เจ้าึกลงคำพีใบลานและวัตถุต่างๆตลอดพระสงฆ์ที่เป็นรูปแทนองค์ และชื่อเสียงเรียงนามของความปฏิบัติตลอดการกำจัดกิเลสของท่านยังเป็นความเคารพอันดีงามและเป็นเนติแบบฉบับอันยอดเยี่ยมเพื่อพวกเราชาวพุทธสุดท้ายภายหลังได้ยึดเป็นคติอันดีหาที่ตําหนิมิได้ตลอดมาเหตนะุไหนเราจะรับบริการและอถิษ่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ที่เราเคารพรกสุดหัวใจจนสามารถยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างแทนท่านได้โดยไม่อะไรเสียดาย ไหวสักการะบูชาเทิดทูนแทนองค์ท่านเหมือนบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายทากันทำไมกลัวเป็นหมาโอ้โหมีใจเรากลายเป็นหมาในร่างของพระผู้อวดดีไปแล้วเพราะความโง่เขลาทําลายขณะแรกฟังเทศท่านวันนั้นแล้วเราหรือแล้วกันตัวดีตัวฉลาดแหลมหลักแต่ไม่รู้จักว่าอะไรให้เป็นหมาหรือเป็นพระเป็นคนเธอตัวฉลาดมาดวนตาแหน่งหมาเข้าเสียแล้ว เป็นเพียงไม่มีหางเหมือนหมาทั่วไปเท่านั้นเองนาสลดสังเวทตนที่ไม่มีอะไรให้อภัยได้เพราะสายไปเสียแล้วท่านอาจารย์มั่นผู้เคยเมตตากลัวเราจะเป็นหมาต่อหน้าท่านก็ น, นิพพานไปเสียแล้วเพราะท่านสอนแล้วไม่ยอมรับแต่กลับเห็นผิดคิดแวกไปเป็นหมาทั้งที่ท่านตวาดห้ามไว้ไม่ยอมฟังตายจริงคราวนี้อนิจจาวัตสังขารา สังขารจังหลอกพระให้เป็นหมาได้ต่อหน้าต่อตาอุปาทวยธรรมิโนขณะนี้เรากําลังเป็นหมาในร่างพระอุปาจิตวานิรุ ช, ชันติเกิดเป็นหมาแล้วจะดับความเป็นหมาของตนด้วยอุบายวิธีใดเล่ารีบคิดหาทางดับอย่างนอนใจราวกับตนเป็นพระทั้งที่กําลังเป็นหมาอยู่ขณะ น, นี้เตสังอุปัสโมสุขโข การระงับดับความคิดทั้งปวงที่พาให้เป็นหมาเสียได้หมาในตัวเราก็ระงับไปใจเป็นสุขหมดเรื่องไปเองพอระลึกโทษได้ก็กราบขอขมาโทษท่านอย่างถึงใจแล้วรีบไปขออธิท่านที่เชิญไว้สการะ บ, บูชาเป็นส่วนรวมในหน้าเทศกาลจนกว่าพระอุโบสถจะสร้างเสร็จแล้วเชิญท่านไปบรรจุไว้ใต้ฐานพระประธานในพระอุโบสถ วัดสุทาวาสจังหวัดสกล น, นครกับท่านพระครูอุดมธรรมคุณพระอาจารย์มหาทองสุขสุจิตโตเจ้าอาวาสวัดสุทาวาสท่านเองก็อนุเคราะห์ด้วยความเต็มใจและเมตตาพระที่แสนโง่แม้ได้อัฐิท่านมาอย่างสมใจแล้วก็ทำให้มีอะไรอะไรสะกิดใจอยู่เสมอมาราวกับวิบากแห่งมานั้นยังติดตัวแก้ไม่ตกเฉพาะอาัฐิเวลาได้มาแล้วก็คอยวันคอยคืน อยากให้อัตถิของท่านกลายเป็นพระาธาตุในขณะเดียวกันก็มีอะไรสะกิดใจอยู่เสมอมาว่าอัตถิท่านไม่มีวันกลายเป็นพระาธาตุถ้ายังอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเราที่เคยประมาทท่านด้วยความคิดโง่ของตนถ้าท่านจากเราไปมีทางกลายเป็นพระาธาตุได้อย่างไม่มีปัญหาเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์เกินคาด พอแจกให้ท่านผู้อื่นไปสักการะบูชาอัติท่านได้กลายเป็นพระาธาตุไปอย่างรวดเร็วผิดธรรมดาที่อยู่กับคนบาปหนาปัญญาทาลายตนอย่างมากมายจนไม่น่าเชื่อแต่เรื่องก็เป็นอย่างนั้นจริงๆกรรมตอนนี้ยังไม่หมดสิ้นไปง่ายๆแม้ท่านมาอยู่กับเราก็คอยแต่จะพรากจากไปทั้งที่เคารพรักท่านมากมายสุดหัวใจจนกลายเป็นสภาพเดิมคืออยู่แต่ตัวเปล่า ราวกับมาตัวเดิมแล้วเหมาะกับภูมิของตนโดยแท้ทุกวันนี้เมื่อพยายามเสาะแสวงอัติหรือพระธาตุท่านจนหมดหวังไม่มีทางได้ท่านมาสักการะบูชาแล้วเลยทําให้อยู่เฉยได้เหมือนคนสบายหมดหวังทั้งที่ใจก็ยังกระวนกระวายอยากได้ท่านอยู่นั่นเองจึงได้เตือนตนว่าราวนี้เชื่อหรือยังกรรมที่เห็นกับตาตัวเองอย่างประจักษ์ไม่จําต้องถามใครอีกแล้ว อันเป็นคําสอนแกมประชดเพื่อได้สติบ้างต่อไปจะได้คิดหลายแง่หลายกระทงไม่อวดดีอวดเก่งด้วยความคิดเพียงหน้าเดียวไม่ทบทวนซ้ำซากให้ได้หลายสัรพันคมมาใช้อันเป็นอุบายของท่านผู้ฉลาดที่เคยปฏิบัติกันมานับแต่บัดนั้นมาแม้จะยอมเห็นโทษของตนแล้วเพียงไรแต่เรื่องอัติท่านกับเราคงยังมีอะไรกันอยู่ภายในใจนั่นเอง ไม่ยอมลบเลือนและหายไปเหมือนสิ่งดีชั่วธรรมดาทั้งหลายที่ท่านว่ามโนกรรมนั้นแต่ก่อนก็เชื่อว่ามีผลเช่นเดียวกับกรรมอื่นๆที่ทำด้วยทวารทั้งหลายแต่ไม่สะดุดใจมากเหมือนคราวนี้พออัติท่านอาจารย์มั่นประจักษ์กับตัวแล้วทำให้หายสงสัยในกรรมต่างๆโดยสิ้นเชิงว่ากรรมให้ผลนั้นให้ผลอย่างไรผู้ทากรรมที่ไม่ลงลืมในกรรมที่ทาของตน ยอมทราบด้วยตัวเองนอกจากไม่กล้าพูดให้ผู้อื่นฟังเท่านั้นที่ท่านอาจารย์มันเทศวันนั้นก็เต็มไปด้วยเจตนาเมตตาสงเคราะห์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ท่านช่วยปิดกั้นทางไหลามาแห่งความลามกทั้งหลายกลัวจะไหลาบามาแปดเปื้อนของที่ยังดีใช้การได้ให้เสียไปด้วยท่านช่วยปิดกั้นอย่างเต็มกําลังความสามารถ เพราะการนาําอธิของครูอาจารย์ไปจําหน่ายขายกินเป็นความลามกโสมมุมอย่างยิ่งสําหรับพระกรรมฐานที่เคยได้รับอบรมมาด้วยดีพอทราบุญบาปได้เท่าที่ควรแล้วไม่น่าจะทําอย่างนั้นท่านจึงเทียบการกระทํานั้นเหมือนการกระทําของสุนัขเพราะเป็นการกัดการแทะแบบสัตว์ที่ไม่รู้บาบุญคุณโทษอันเป็นภูมิและขนบธรรมเนียมของมนุษย์ปฏิบัติกันมา เมื่อเราไม่ทำแบบกัดแบบแทะเหมือนหมาก็จะเป็นหมาไปไม่ได้อยู่เองเฉพาะคนไม่ดีจึงกลับคิดเลยเถิดไปตามนิสัยโดยกลัวการนำอัตถิท่านไปเคารพ บ, บูชาจะไม่พ้นความเป็นหมาสุดท้ายก็เป็นหมาเพราะความโง่ของตนจนได้ท่านผู้อ่านผู้ฟังทั้งหลายกรุณาอย่ายึดความคิดความเห็นหน้าเดียวไปเป็นทางดาเนิน จะกลายเป็นผู้ไม่รอบคอบและผิดพลาดไปอีกหลายคนความคิดที่ได้รับการทดลองไครครวนอยู่อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วยอมเป็นความคิดที่ควรแกการงานทั้งหลายทั้งทางโลกและทางธรรมไม่ค่อยมีผิดพลาดแม้การปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองก็ควรสนใจความคิดประเภทนี้จะไม่ผิดพลาดและเสียใจในภายหลัง ผู้นับถือพุทธศาสนาจึงควรมีความรอบคอบด้วยเหตุผลในการปฏิบัติศาสนางานทางโลกและทางธรรมจะไม่ผิดพลาดจากความมุ่งหมายเพราะหลักพุทธศาสนามีเหตุผลกำกับอยู่ด้วยทุกระยะทุกวักทุกตอนบรรดาธรรมะในวงศาสนาที่ประกาศสอนไว้การที่ผู้นับถือพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันแต่มีการปฏิบัติเป็นไปในรูปลักษณะต่างกันโดยแอบอิงศาสนาเป็นที่รองรับความถูกต้องจนบางแขนงลงกันไม่ได้ทั้งนี้ก็น่าคิดอยู่บ้างสำหรับชาวพุทธผู้ตระหนักในเหตุผลตามหลักธรรมเพื่อการกระทาจะไม่เป็นลุ่มลุมดอนดอนจะกลมกลืนกับหลักศาสนาธรรมอันเป็นองค์ของศาสดาแท้ ทั้งเหตุและผลจะไม่ขัดแย้งกันดังที่มักมีอยู่เสมอในวงพุทธบริษัทอันเดียวกันหากใช้ความใคร้ครวญตามส่วนใหญ่ส่วนย่อยของศาสนาบ้างแม้จะผิดแผกแตกต่างกันบ้างตามแขนงต่างๆแห่งธรรมะและจริตนิสัยก็คงไม่มากมายจนน่ารำคาญ น, นักดังที่ปรากฏอยู่ซึ่งแทบพูดได้ว่าเป็นยาประจาบ้านแห่งสงครามคารมชาวพุทธ ศาสาน้ำสงกรานใส่กันโดยไม่เลือกการสถานที่ควรหรือไม่ประการใดแม้เจตนาจะบริสุทธิ์ต่อศาสนาด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ก็พอทราบความบวกร่องของชาวพุทธเราที่ต่างปฏิบัติไปตามความคิดเห็นมากกว่าความหนักแน่นในหลักธรรมอันเป็นเข็มทิศทางดำเนิน